ปฏิจจสมุปบาท ต, ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์นี้ก็ในเรื่องของการเห็นปฏิจจ ส, สมุปบาทในส่วนของภาษะอันเป็นเหตุให้เกิดเวทนาในทุกๆภาษะตรงนี้จะเป็น เหตให้รู้ถึงอุปทานก็องตรัดว่าอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงธรรมแก่พวกเธอทั้งหลายเพื่อความรอบรู้ซึ่งอุปทานทั้งปวงพวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งธรรมนั้น ดูก่อนพิสุทั้งหลายก็ทำเป็นไปเพื่อความรอบรู้ซึ่งอุปทานทั้งปวงนั้นเป็นอย่างไรดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งตาด้วยซึ่งรูปทั้งหลายด้วยจึงเกิดจากขูวิญญาณการประจวบพร้อมแห่งธรรมสามประการนั้นคือผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีการสับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลกำหนัดคลความพอใจนั่นเอง เพราะความกลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นอเลสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าอุปทานเป็นสิ่งที่เรารอบรู้แล้วเพื่อความหลุดพ้นดังนี้เห็นปฏิจจสุบัติตั้งแต่องค์ประกอบของผัรสมาจนถึงผัรสมาจนถึงเวทนานั่นคือรู้จักตัวสลายตนะนั่นเองพรรษามันจะมีได้ก็เพราะว่ามี สลายยตนะตัวสลายยตนะก็คือตัวอายนะภายนอกภายในเราจะเห็นรูปได้ก็ต้องมีรูปมาให้ตาเห็นหรือมีตาไปเห็นรูปและแค่ตากับรูปก็บอกอะไรเราไม่ได้นอกจากจะมีวิญญาณเข้าไปด้วยถ้ามีวิญญาณเข้าไปก็จะครบองค์ประกอบของผัสษะ เมื่อครบองค์ประกอบผัสสะแล้วเรายึดไหมว่าผัสสะเป็นเราถ้ายึดว่าผัสสะเป็นเราธรรมชาติก็จะไหลต่อไปที่เวทนาเกิดความพอใจไม่พอใจหรือเฉยๆขึ้นมาอีกอันนี้ลักษณะของธรรมชาติที่จะใสยกันและกันในการเกิดขึ้น ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเองลอยๆทุกอย่างอาศัยเหตุในการเกิดเหตุในการเกิดของความพอใจไม่พอใจมาจากผัสสะที่ได้กระทบทางตาบ้างทางหูจมูกลิ้นกายใจบ้างไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าถามต่อจากนั้นไปว่าแล้วผัสสะมันอาศัยอะไรเกิดตัวผัสสะก็ต้องอาศัยสลา ย, ยตนะเป็นตัวเกิด นี่เห็น3มขั้นตอนนี้ก็สามารถทำจิตให้หลุดพ้นได้แล้วแต่ใครเห็น3ามขั้นตอนนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะต้องไวมากเท่ากับเราไปดูสายปฏิจจสุบาท ต, นะตั้งแต่ระดับของสลายยตนะผัสสะแล้วก็เวทนาจับ3ามตัวนีนะ้ซึ่งจริงๆใครจับสายปฏิจจค่อนข้างไปทางบนๆเนี่ย แสดงว่ามีสติที่รวดเร็วมากภาษากระทบปั๊บเนี่ยรู้ตัวเกิดความรู้สึกพอใจไม่พอใจปั๊บเนี่ยรู้ตัวไวนะซึ่งไม่ใช่ง่ายและถ้าตรงนี้นี่ใครเดินมักรตรงนี้ตลอดเรื่อยๆก็จะได้ผลเป็นถึงอนุปาทิเสสนิพันธ์้าได้คือเวทนาเป็นของดับเย็นในอัตภาพ จะเป็นพระรหันในกลุ่มที่เป็นอนุปาทิเ ส, ทเสสนิพานท่านนะเวทนาไม่มีผลต่อจิตของท่านนะอันนี้ทุกองค์ประกอบเลยของภาษะหูจมูกลิ้นกายใจนะเราจะเห็นว่าอุปทานความยึดมั่นของเราเนี่ยยึดมั่นในอะไรบ้าง <c oughs> ความยึดมั่นจะเข้าไปยึดมั่นในตาในหูจมูกลิ้นกายใจความยึดมั่นจะเข้าไปยึดในรูปเสียงกินรสโปรภพน ธ, ธรรมลมอันนี้เรียกว่าเป็นธรรมชาติอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นตัวอุปทา น, นตัวความยึดมั่นก็คือตัวความพอใจความที่เราเข้าไปพอใจมันจะเกิดความยึดขึ้นมา นี่ก็พระสูตรหนึ่งถ้าเราจะนำเอาไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติก็ได้แต่ต้องมีสติที่ไวมากเพราะผัสสะเกิดอยู่ตลอดเวลาค่อนข้างจะเร็วจับตัวเวทนาก่อนก็ได้เกิดพอใจไม่พอใจก็พยายามวางและอยู่อุเบกขาเฉยๆหรืออยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันไปอย่างนี้ สูตรต่อมาพุทธวจนะในหน้าสามสี่เก้าเป็นการบอกในเรื่องยานวัตถุสี่สบสี่ตรงนี้เป็นเครื่องวัดความเป็นพระโสดาบันโสดาบันจะเห็นตรงนี้นะ <c oughs> ยานวัตถุสี่สิบสี่ยานวัตถุเจ็สิบเจ็ด ทั้งสองอันเป็นเครื่องวัดความเป็นพระอริยบุคคลในขั้นโสดาบันบุคคลซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยใช้เลยก็ได้เพราะไม่เคยฟังพุทธวจน ะ, นะเราก็ไปใช้เกณฑ์ที่คิดกันขึ้นเองเราก็คิดกันขึ้นเองหลายอย่างเหมือนกัน ยนวัตถุ44ผู้เจ้าจับสายปฏิจจ์ <c oughs> ตั้งแต่ชลามรนะ <c oughs> ไล่ไปจนถึงสังขาร <c oughs> ไล่ไปจนถึงสังขารทั้งหลาย รู้จักชลามระรู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับรู้จัก4อย่างรู้จัก4ี่อย่างของอริยสัจสของแต่ละสายของปฏิจจสุบาท4คูณส1สายอาการที่ท่านยกมาไม่รวมอวิชชาตั้งแต่ชรามระถึงสังขารรู้สี่แง่มุมนี้ ก็คือรู้อริยสัจสี่ของแต่ละสายของปฏิจจสุบาท น, นี่ใครเห็นตรงนี้ใครรู้ตรงนี้พระโสดาบันแล้วและตรงนี้ควรจะเป็นโสดาบันประเภทเอกพีชีอีกหนึ่งชาติเพราะว่ามีความรู้ค่อนข้างละเอียดในความเป็นโสดาบันไม่ใช่แค่สินห้าบวกกับ โสตาปยังคสี่อย่างเดียวนะหรือแค่โสตาปตัตยังคสัสสีเรื่องสายอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรยัยแต่นี้รู้ถึงลำดับเหตุของการเกิดขึ้นภายในจิตของตัวเองว่า <c oughs> จิตของตัวเองเนี่ยจะมีลำดับในการเกิดอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ละเอียดในตรงนี้มากแล้วก็พยายาม อธิบายออกมาเราก็ลองไปตรวจสอบดูว่าสายการจิตต่างๆเ่าเนี้ยมันเป็นไปตามนี้หรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งยานวัตถุ44แก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้นจงกระทําในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจากกล่าวนับัดนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ญานวัตถุ44เป็นอย่างไรเล่าญาณวัตถุ44อย่างคือยานคือความรู้ในชรามาลณนะยานคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามาลณนะยานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งชรามาลณนะยานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทาสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งฉลามาลนะ รู <l'> z z ้จักความแก่และความตายรู้จักเหตุเกิดของมันรู้จักความดับของมันรู้จักวิธีดับเหมือนโยมรู้จักแก้วใบนี้โยมต้องรู้จักเหตุเกิดของมันรู้จักความดับนะรู้จักตัวแก้วว่าแก้วเกิดขึ้นมาได้อย่างไรรู้จักแก้วใช่แก้วมีแล้วเหตุเกิดของมันล่ะนะแล้วความดับของมันล่ะมีได้ไหมมีได้แล้ววิธีป้องกันมันล่ะ การป้องกันจะไม่ให้แก้วแตกทํำยังไงนะแบบของผู้เจ้าก็คืออย่ามีแก้วนะก็คือรู้ว่าชาติคือการปรากฏของแก้วเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งชลาและมรณนะมีวิธีแก้ต้องแก้แบบถาวรไม่ใช่แก้ชั่วคราวนะเอาไปวางไว้เฉยๆในที่สุดก็แตกอยู่ดีเอาการเวลาเข้าไปจับหมื่นปีแสนปีล้านปีในที่สุดแก้วนี้ก็ต้องพังเพราะมันเป็นของเกิด ของที่เกิดมาแล้วต้องแตกสลายต้องดับแน่นอนนี่คือรู้จักชรลาและมรณะความแตกสลายของมันและเหตุของความแตกสลายเพราะว่ามันมีการเกิดขึ้นมามันต้องพังแน่นอนพัดลมพังเพราะว่ามันมีการเกิดสลาพังเพราะว่ามันมีการสร้างขึ้นมาแล้วยังไงมันก็ต้องพังมีคนเกิดมาก็ต้องมีคนตายทุกอย่างสรรพสิ่งที่มีการเกิดจะมีการดับทั้งสิ้นนี่คือต้องรู้จักตัวนี้ นี่คือยานของพระโสดาบันนะแล้วถางโสดาบันรู้ตัวเองไหมทำไมจะไม่รู้ก็รู้จักมันนะใช่ไหมนะรู้จักว่าของอันนี้มันมีแตกสลายนะนะแล้วมันมีการเกิดมีสมุทยัยแล้วมันมีนิโรธคือความดับนะวิธีแก้มันก็คือต้องดับที่ชาติการเกิดของมันนะยานในความรู้คือชาตินะ ญาณคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชาติความดับไม่เหลือแห่งชาติข้อปฏิบัติเครื่องทาสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติรู้จักชาติคือการเกิดรู้จักเหตุเกิดของชาติรู้จักความดับของชาติรู้จักวิธีดับชาติตัวพบตัวพบคือสถานที่เกิดเป็นเหตุให้ชาติมีขึ้นมา สถานที่เกิดของแก้วใบนี้ก็คือตัวธาตุดินถ้าธาตุดินไม่มีโดยประการทั้งปวงแก้วใบนี้จะถูกทำขึ้นมาได้ไหมก็จะไม่ได้การปรากฏของแก้วใบนี้ต้องไม่มีนะเพราะธาตุดินไม่มีแต่เมื่อมีธาตุดินคือมีสถานที่เกิดที่มันจะอาศัยให้ปั้นขึ้นมาเป็นตัวแก้วได้แก้วจึงมีขึ้นมามันต้องมีตัวธาตุก่อนนะมีตัวธาตุแล้ว ทำให้สร้างการเกิดขึ้นมาได้ตัว่านั่นแหละก็คือตัวพบนั่นเองที่จิตเข้าไปตั้งอาศัยเข้าไปรับรู้อันนี้ตรวจได้ด้วยตนเองนั่งดูจิตของเราเองเราก็จะเห็นจิตเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในนามธรรมในรูปธาตุในลมหายใจบ้างในธาตุดินบ้างในเสียงในกลิ่นในรสเข้าไปรับรู้เรื่องต่างๆเข้าไปรับรู้สัญญา อดีตสังขารอนาคตนะสุขทุกอุเบกขาวนไปวนมาอยู่อย่างนี้นี่ก็เป็นความรู้ของพระโสดาบันอีกอย่างที่จะรู้ว่าวิญญาณเนี่ยเวียนอยู่ในสี่ธาตุนี้คือรูปธ า, าตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุเรานั่งสมาธิเราก็ดูการเกิดการดับของจิตไปในธรรมธาตุต่างๆเหล่านี้ เราก็จะรู้จักแล้วจิตดับจากลมไปแล้วไปรู้อะไรมีสติกลับมาที่ลมหายใจหลุดไปธรรมธาตุอะไรอีกกลับมาหลุดไปในอะไรอีกจิตจะวนอยู่แค่นี้เท่านั้นรู้จักการทำงานของจิตแล้วหลักการเดียวกันทั้งหมดนะผู้เจ้าจะตรัสไปตั้งแต่พบอุปทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณแล้วก็สังขาร ทั้งหมดนี้พระองค์จึงเรียกว่ายานวัตถุส4สแล้วท่านก็บรรยายแต่ละอันอย่างละเอียดอีก <c oughs> อย่างเช่นท่านบอกว่าชลามรณะเป็นอย่างไรเล่านะความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยว ความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่ ง, หงอินทรีย์ทั้งหลายในสัตว์นิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี่บอกภาพรวมของสัตว์ทั่วโลกธาตุเลยนะว่าชารามรณะของสัตว์ทั่วโลกธาตุมีอาการอย่างไรบ้างความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจของแต่ละพบภูมิเนี่ยเป็นอย่างไรในสัตว์นิกายนั้นๆ ของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนี้เรียกว่าชรานะความแก่ความสิ้นไปแห่งอายุการเวลาที่ผ่านไปสิ้นไปสิ้นไปสิ้นไปนี่เรียกว่าความแก่นะ <c oughs> การจุติจุติแปลว่าตายการเคลื่อนก็คือตายการแตกสลายการจุติการเคลื่อนการแตกสลายการหายไป หายไปเฉยๆก็มีนะนี่การตายของสัตว์แต่ละพบภูมิแต่ละแบบผู้เจ้าบอกไว้หมดการวายชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งขันทั้งหลายขันแตกกระจายไปควบคุมกันไม่ได้การทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตว์ นิกายนั้นนั้นของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นนี้เรียกว่ามรณนะฉลานี้ด้วยมรณนะนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ดูก่อนพิสษุ์ทั้งหลายนี้เรียกว่าชรามรณนะความก่อขึ้นพร้อมแห่งฉลามรณะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติแก่และตายเนี่ยมันมีเพราะการมีชาติคือการเกิดนั่นเองตรงนี้จำไวด้ดีๆเลย เอาไปใช้แก้ปัญหาได้หลายเรื่องมากความดับไม่เหลือแห่งชาราเมลณะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติมักอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชราและมลณะได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบดํามหลีชอบพูดจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบภาคเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบนะ ท่าน <c oughs> ตัส ต, ต, ต่อว่าดูก่อนพิะสูงส่งหลายอริยสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งชรามรณะว่าเป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือว่าเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติเครื่องทําสัตย์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือเป็นอย่างนี้ในการใดในการนั้นความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่าญาณในธรรมหรือธรรมญาณธรรมญาณญาณในธรรม รู้จักตัวมันรู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับนั่นคือรู้อริยสัจสีของอาการจิตอาการใดอาการหนึ่งนะเรียกว่าเขามีธรรมยานแล้วเนี่ยานของพระโสดาบันนะรู้อย่างนี้พระโสดาบันไม่ต้องไปวิ่งมีปฏิหารกำหนดรู้จิตเห็นนรกสวรรค์นั่นไม่ใช่ความรู้พระโสดาบัน ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่เคยมีพุทธดำหลัดตรัสไว้เลยว่านั่นคือความรู้พระโสดาบัน <c oughs> นั่นเป็นความรู้ในทางโลกโลกิยธรรมซึ่งคนทำปาฏิหาริย์ได้ก็ตายหมดเหมือนกันทุกวันนี้เราค่อนข้างเข้าใจผิดกันมากเหมือนเราไปไปตื่นเต้นกับคนตีกอล์ฟเก่งหรือคนสร้างจรวดได้ซึ่งมันไม่ใช่ความรู้ที่จะแก้ปัญหาแก่เจ็บตายเลย เราไปตื่นเต้นกับคนกําหนดรู้จิตได้พอเอินเดินอากาศได้ทําอิทธิปาฏิหารได้ซึ่งตายแล้วก็ไม่ได้พ้นไปจากนร ก, กําเนิดเดชานหรือเปลตวิสัยเทวดาทั้งหลายก็ทําได้พรมก็ทําได้แต่เทวดาพรมตายแล้วพ้นจากนรกไหมไม่พ้นพระเจ้าบอกเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนร ก, กําเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยแต่โซดาบันนะซึ่งนุ่งห่มด้วยผ้าปอนปอนไม่มีชายหากินด้วยกําลังของปลีแข้ง แต่ก็ยังพ้นแล้วจากนรกอัเนศโดชานหรือวิสัยแห่งเปริดประเสริฐกว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อสอนอะไร <c oughs> เกิดมาเพื่อสอนขนทางแก้ความแก่เจ็บตายไม่ได้ให้มาสอนให้เราเก่งในเรื่องอื่นๆเลยพระุทธเจ้าจึงบอกว่าท่านเกิดมาเพื่อสอนเรื่องอริสสสีถ้าธรรมชาติสามอย่างไม่มีอยู่ในโลกคือความเกิดความแก่และความตาย ไม่มีความจําเป็นที่อรหันต์ัสมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องเกิดมานะมาสอนเรื่องนี้โดยตรงแต่เราก็เฉกันไปเพลินกันไปไปตื่นเต้นกับเรื่องนั้นตื่นเต้นกับเรื่องนี้ไม่รู้ว่าจุดมุ่งหมายนะของการประพฤติปฏิบัตินั้นคืออะไรดํารงความมุ่งหมายไว้ไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติที่เศร้าหมอง ปฏิบัติแล้วเพื่อไปได้สิ่งนั้นไปได้สิ่งนี้ไปเป็นเทพพยานิกายใดยนิกายหนึ่งให้ได้อิทธิปฏิหารให้ได้อาเทศนาปฏิหารแก่เจ็บต้หมดพวกนี้นี่ต้องเข้าใจกันใหม่เลยพระองค์ตัดต่อไปว่า ด้วยธรรมนี้อันอริยสาวกนั้นเห็นแล้วรู้แล้วบรรลุแล้วอย่างลงแล้วและเป็นธรรมอันใช้ได้ไม่จำกัดการอริยสาวกนั้นย่อมนำความรู้นี้นะไปสู่นัยยะอันเป็นอดีตและอนาคตว่าสมณะหรือพรามเหล่าได้เหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งฉรามรณะนะเหตุให้เกิดขึ้นความดับไม่เหลือข้อปฏิบัติใหถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ สำรับหรือพรามเหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้นะและในอนาคตก็เช่นเดียวกันนะก็รู้เหมือนกับเราที่รู้ที่เห็นในบัดนี้เหมือนกันความรู้ตรงนี้เรียกว่าญาณในการรู้ตามอันว ย, ยนนะญาณมีธรรมญาณกับอันวยะญาณ <c oughs> รู้สองอย่างนี้เอาไปเลยโสดาบันบุคคล นะคือยาณวัตถุสีสี่ต้องทำความเข้าใจนะถ้าทำความเข้าใจได้มันไม่ใช่เรื่องยากเพราะอาการเหล่านี้มีในตัวเราทั้งหมดแต่เราสังเกตไม่เห็นสังเกตไม่ทันแค่นั้นเองทุกทุกเคยมีไม้มีกันทุกคนแต่เคยเห็นเหตุเกิดมันไม้รู้จักความดับมันไหมรู้จักวิธีดับไหม เห็นตัวมัน จ, จัดจะบ้างไหมยอย่างเนี้ความอยากมีทุกคนนะต่เห็นเหตุเกิดเห็นความดับมันบ้างไหมรู้จักวิธีดับมันไหมเนี่ยถ้าเราเห็นไตยยอริสสีของตัณหาของเวทนาก็ตามสายใดายสายหนึ่งของอาการจิตของเราเอาไปเลยโสดาบันบุคคลนะแล้วก็รู้ว่าในอดีตก็เป็นอย่างนี้ในอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน ท่านจึงจัดว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายยานทั้งสองคือธรรมยานและอันวยะยานเหล่านี้ของอริยสาวกเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ผ่องใสในการใดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายในการนั้นเราเรียกอริยสาวกนั้น <c oughs> ว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิโซดาบันเนี่ยมีหลายชื่อมีเป็น10ชื่อนะเรียกว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทิฏฐิเรียกว่าผู้สมบูรณ์แล้วด้วยทัศนะ ผู้มาถึงพระสัตธรรมแล้วดังนี้บ้างได้เห็นอยู่ซึ่งพระสัตธรรมนี้ผู้ประกอบแล้วด้วยยานอันเป็นเสกขะผู้ประกอบแล้วด้วยวิชานเป็นเสกขะผู้ถึงซึ่งกระแสะแห่งธรรมแล้วผู้ประเสริฐมีปัญญาเครื่องชำแล ก, กิเลสหรือว่าอันสุดท้ายยืนอยู่จดประตูแห่งอมะตะโสดาบันใ้ยืนจ่อประตูแห่งอมะตะแล้วนะัเพราะฉะนั้นชาตินี้เอาให้ได้โสดาบัน เผื่อจะได้ขายกุญแจกันต่อไปไปยืนเจอข้างหน้าประตูแล้วแล้วท่านก็อธิบายสายปฏิจัต่อไปดูก่อนพิสุลายก้อชาติเป็นอย่างไรการเกิดการการกำเนิดการก้าวลงสู่คันนี่นะอธิบายการเกิดแต่ละแบบแต่ละแบบของ สัตว์ทั่วโลกธาตุเอาไว้ให้เสร็จเลยการบังเกิดโดยยิ่งการบังเกิดความปรากฏของขันทั้งหลายการที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลายตัวนี้คืออะไรบ้างเช่นไอ้พวกเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเวทิตันเลวพวกนี้พระเจ้าเรียกว่าอายตนะอีกสองเรียกพิเศษไปอีกกลุ่ม1นึงการได้อายตนะนั้นๆพอเราเอามาดูปุ๊บเนี่ยไปเชื่อมกับ พุทธวจนะในบทที่ว่าผู้เจ้าแยกว่าผู้ที่ได้สมาธิสองขั้นนี้เรียกว่าอีกสองอายตนะมันจะมาแมทกับตรงนี้การที่สัตว์ได้มาซึ่งอายตนะในสัตว์นิกยนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนะดูก่อนพิสุนายนี้เรียกว่าชาติคือการเกิดเพราะฉะนั้นเวลาพวกที่ได้สมาธิพวกนี้ตายไป พวกนี้เขาก็จะอาศัยตรงนี้เป็นวิหารธรรมของเขาเขาก็จะไปสร้างอัตภาพในอารมณ์ที่เขาเกาะตรงนี้ต่อไปความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติย่อมมีเพราะความก่ะขึ้นพร้อมแห่งภพคือหลไก็คือตัวอารมณ์ที่จิตเข้าไปตั้งอาศัยนั่นเอง ตรงนี้ถ้าพวกได้สมาธิขั้นนี้ก็คือเข้าไปเกาะในสัญญาขันสัญญาประเภทต่างๆนั่นเองและท่านก็ตัดอย่างเดียวกันเหมือนกันเลยนะตัดอย่างเดียวกันนะถ้ามารู้ทั่วถึงชาติเมื่อกี้รู้รู้รู้ทั่วถึงชรามมลณะนี้รู้ทั่วถึงชาตินะ รู้ทั่วถึงพบอุปทานตันหาเวทนาผัสสะสลายนะนามลูปวิญญาณสังขารไล่ไปทั้งสายปฏิจจ์นี่คือเต็มสูตรนะท่านก็อธิบายยาวเยียดเลยนะอธิบายแต่ละอันเลยว่าพบคืออะไรอุปทานคืออะไรตันหาคืออะไร <c oughs> อยากได้ความละเอียดที่ถูกต้องต้องอ่านตรงนี้ ไม่มีสาวกคนไหนบรรยัติได้ตรงนี้นะต้องใช้ภูมิปัญญาระดับผู้เจ้าเท่านั้นนี่ทั้งหมดนี้เรียกว่ายานวัตถุสี่สิบสี่คู่กันไปเลยนะยานวัตถุเจสิบเจ็ดนะตัวเลขมากแต่เห็นไม่ต้องเยอะเห็นแค่สองอย่างเหตุเกิดกับความดับ แค่นี้เอง <c oughs> และตรงนี้เริ่มจากอะไรเริ่มจากชาติจบที่อะไระท่านไล่มาจบที่อวิชชาเมื่อกี้เริ่มจากชรามรณะไปจบที่สังขาร <c oughs> ตอนนี้เริ่มจากชาติมาจบที่อวิชชา สิอดาการเหมือนกันและไม่ต้องเห็นอะไรมากรู้ร hold, จักชาติรู้จักเหตุเกิดและความดับของม yeah. ันรู้จัก2อย่างนี้และนําความรู้2อย่างนี้ไปใช้ในอดีตอนาคตอย่างละ2ในปัจจุบันรู้จัก2ออย่างคือเหตุเกิดความดับในอดีตรู้จักเหตุเกิดความดับชาติในอดีตการเกิดในอดีตก็รู้จักเหตุเกิดความดับของมันในอนาคตก็รู้จักเหตุเกิดความดับ และอย่างที่7 2็ดสามปัจจุบันอดีตอนาคตอย่างที่7รู้ว่าความรู้ทั้งหมดเนี่ยมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาจบแล้วแค่นี้เองยาณวัตถุ77รู้ไม่ต้องเยอะเลยรู้สองอย่างแค่นั้นเกิดกระดับเอาไปใช้อดีตอนาคตเอาไปใช้กับทุกสายของปฏิจจะถ้าเห็นเวทนาก็เห็นเกิดกระดับของมัน ถ้าเห็นตัณหาก็เห็นเกิดดับของตัณหาเห็นเกิดดับของอุปาทานนะเห็นเกิดดับของผัสสะแค่นี้เองเสร็จแล้วจับตัวใดตัวหนึ่งก็ไดนะ้สมมุติเราจับเวทนาสุเกิดมาปุ๊บเห็นมันเกิดเห็นมันดับทุกเกิดมาปับ๊บเห็นมันเกิดเห็นมันดับยิ่จับอยู่อย่างนี้อย่างเดียวทั้งชีวิตเลยนะหลุดพ้นได้ พอเห็นเกิดดับของสุขอยู่เรื่อยๆเนี่ยผูนะ้เจ้าบอกในที่สุดจะวางราคานุสัยได้ความพอใจนะความพอใจในโลกได้นะเห็นเกิดดับของความทุกข์จะวางปฏิคานุสัยได้นี่อนาคา ม, มีแล้วนะอืมจิตจะอยู่อุเบกขาพอเห็นเกิดดับของอุเบกขาจะวางอวิชานุสัยได้ นี่คือตัวอย่างของการจับเวทนาตัวเดียวก็สามารถเข้าถึงความผนทุกข์ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ น, <c oughs> นี่ยาวๆ ย, ย่อให้แค่นี้นนน <c oughs> สับแปลกๆอันคือธรรมะทิติยาน ธรรมมัติทิติญาณในกรณีนี้ก็มีความสิ้นไปเสื่อมไปจางไปดับไปเป็นธรรมดาธรรมมัติิติญาณแปลว่าความรู้ในปฏิจจสมุปบาทความรู้ทั้งหมดเนี่ยก็ดับไปเหมือนกันมไม่มีอะไรมีสาระยตนทิ้งหมดนะแต่ไปทำความรู้จักมันเพื่อให้ปล่อยวางมันให้ได้ปล่อยวางได้แล้วก็ ไม่เอาความรู้นั้นตามไปด้วยละปล่อยวางความรู้ด้วยเหมือนกัน